บทที่สิบสองวันรุ่งขึ้นนายสมชายขับรถไปส่งเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยังสนามบินดอนเมืองโดยมีนายขุนทองขอตามไปส่งด้วยโยมที่นิมนต์ท่านพระครูสู่แดนพุทธ ภ, ภูมิในครั้งนี้คือโยมเสิงและโยมผ่องใสนามสกุลใจบุญ บุคคลทั้งสองเป็นคู่สามีภรรยาที่ใจบุญสมชื่อเพราะนอกจากจะนิมนต์ท่านแล้วยังนิมนพระภิกษุจากวัดอื่นอีกสี่รูปรวมเป็นห้ารูปคณะผู้สแสวงบุญมีครือข่าสคนเป็นบุรุษสสตรี20สครือข่ต้องออกค่าเดินทางกันเองส่วนพระภิกษุโยมเสงยกับโยมผ่องใสเป็นผู้ถวายค่าเดินทาง แล้วก็ยังถวายซองบรรจุปัดใจซองละ 5,000 บาทสำหรับให้ท่านไปทำบุญอีกด้วยโยมผ่องใสเป็นคนรอบคอบและรู้จักใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเหตุนี้จึงต้องพิถีพิณฑ์เลือกบริษัททัวร์ที่บริการดีและราคายุติธรรมก็คือไม่ค้ากำไรเกินควรในที่สุดก็เลือกได้สุดที่ทำทัวร์ ซึ่งสืบทราบแล้วว่ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการผู้นำทัวร์เป็นสุภาพสตรีอายุราว30ส่วนแม่ครัวที่จะช่วยทำอาหารนั้นอายุประมาณ25คณะผู้สแสวงบุญซึ่งมีโยมผ่องใสเป็นหัวหน้าเดินทางโดยสายการบินไทยออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานคำดำเมืองกันกตา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 เพราะนอกจากจะต้องยืนจนขาแข็งแล้วมองไปทางไหนก็ไม่เจริญตาเจริญใจมีแต่แขกดูมืดไปหมดยิ่งไปกว่านั้นยังมีกลิ่นแปลกๆมากระทบจมูกนับตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาในตัวอาคารเจ้ากลิ่นแปลกๆนี้คงเป็นกลิ่นแขกนั่นกระมังส่วนผู้ที่ต้องการมาแสวงบุญเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกาลังบาเพ็ญบารมี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 และเครื่องปรุงที่นำมาจากประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมให้ผ่านในที่สุดต้องใช้สินบนที่เรียกกันว่าบ็อกซิจึงผ่านออกมาได้จากนั้นผู้นำตัวจึงพาคณะผู้สแสวงบุญซึ่งมีโยมผ่องใสเป็นหัวหน้าออกมาขึ้นรถบัสซึ่งจอดรออยู่ที่ลานจอดรถหน้าสนามบินพระภิกษุรูปหนึ่งมากับรถ ได้เข้ามาทำความเคารพพระภิกษุที่มากับคณะตามลำดับอาวุโสแล้วแนะนำตัวว่าผมชื่อพระเจริญทิตะธรรมโมกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮินดูเมืองพาราณสีได้รับนิมนต์ให้มาทำหน้าที่มักคุเทศให้กับคณะผู้สแสวงบุญครับชื่อเหมือนหลวงพ่อที่มากับโยมเลยนะคะ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 นึกอนุโมทนาบุญกับโยมผ่องใสที่มีจิตใจเป็นกุศลนิมนต์พระภิกษุมัทัศนานศึกษาณแดนพุทธภูมิถ้าให้เรียกลุงพ่อว่าหลวงพี่แล้วจะให้เรียกผมว่าอะไรล่ะครับพระเจริญมีทีท่าว่าจะไม่ยินยอมจะอาวาตวัดดอนเมืองจึงตัดสินว่าก็เรียกว่าพระอาจารย์เจริญ เพราะท่านจะต้องเป็นอาจารย์ถวายความรู้แก่พระภิกษุห้ารูปที่มาจากเมืองไทยส่วนท่านพระครูท่านอยากจะให้เรียกท่านว่าหลวงพี่ก็ตามใจท่านหน่อยเป็นการตัดสินที่ถูกใจท่านพระครูนักยังไม่ทันที่จะกำหนดถูกใจหนอโยมผ่องใสก็สรุปว่า เรียกหลวงพ่ อ, อย่างเดิมหนะดีแล้วส่วนพระมกุเทศก็เรียกพระอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองบอกตกลงตามนี้แล้วก็เคลื่อนขบวนได้จะข้ามแล้วญาติโยมหิวข้าวแล้วค่ะพูดจบก็เดินตามผู้นำทัวร์ไปยังรถเด็กหนมสามคนที่มากับรถช่วยกันขนสัมภาระซึ่งมีทั้งอาหารและกระเป๋าเสื้อผ้าของญาติโยมขึ้นไปไว้บนหลงังคารถบ้าง ไว้ท้ายรถบ้างใต้ท้องรถบ้างโยมบางคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาถึงสามใบคนที่มีสัมภาระมากที่สุดก็คือผู้นำทัวร์กับแม่ครัวเพราะเมื่อนับกระเป๋าเสื้อผ้าและกระเป๋าที่บรรจุอาหารแล้วมีจำนวนถึง44ใบสมภารวัดป่ามะม่วงถามโยมผ่องใสว่าโยมมีกระเป๋ามากี่ใบสามใบค่ะ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 แล้วหลวงพ่อไม่มีจีวรมาเปลี่ยนหรือคะตั้งสิบสองวันจะใส่ชุดเดียวได้อย่างไรโยมผ่องสายถามอย่างเป็นห่วงอาตมาเป็นพระภิกษุต้องปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติไว้คือพระวินัยบัญญัติไว้ว่าภิกษุต้องอยู่ด้วยผ้าสามชิ้นที่เรียกว่าไตรจีวรได้แก่ผ้าน้มที่เรียกว่าสะบงผ้าห่มก็เรียกว่าจีวร และผ้าพาดบ่าก็เรียกว่าสังคาติเป็นพระสบายนะโยมมีชุดเดียวก็เดินทางได้ทั่วโลกไม่ต้องแบกสัมภาระพรุงพรังเหมือนเป็นโยมจริงไหมครับหลวงพ่อท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองจริงอย่างที่ท่านพระครูพูดมานั่นแหละนี่ทัยโยมเป็นผู้ชายจะบวชไหมหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามโยมผ่องใส บวชสิคะโยมอยากมีชีวิตแบบพระจะได้ปฏิบัติให้พ้นทุกเร็วเสียดายที่ภิกษุณีไม่มีแล้วไม่เช่นนั้นโยมก็จะไปบวชเป็นภิกษุณีพูดพลางหันไปมองสามีซึ่งเดินตามหลังท่านพระครูมาไม่ต้องบวชก็ปฏิบัติได้โยมไปเข้ากรรมฐ า, านที่วัดป่ามะม่วงก็เหมือนกับบวชนั่นแหละบางทีจะดีกว่าบวชสิอีกเพราะคนที่ปฏิบัติแต่ไม่ได้บวช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 ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านดีกว่าจะได้ขายหน้าน้อยลงภิกษุสามรูปซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันบังเอิญมาคิดเหมือนกันสิอีกต่างก็พูดขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะครับกลับไปผมจะไปขอเรียนวิชากรรมฐานจากหลวงพ่อผมยินดีต้อนรับและขออนุโมทนาที่ถันทั้งสามคิดที่จะปฏิบัต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 เพราะพระสงค์องค์เจ้าไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติแต่ไปสนใจเรื่องทางโลกอยากกล้ามอยากรวยอย่างครือหัดแล้วก็อยากได้สมณะสักอยากเป็นเจ้าคุณไม่รู้อะไรกันนักหนาะพระพุทธเจ้าไม่ได้ซ้อนอย่างนี้ท่านถือโอกาสเทศนอกธรรมาสนิมนพระกุณเจ้าขึ้นรถได้แล้วค่ะ ผู้นำทัวร์เดินเข้ามานิมนพระภิกษุหรูปที่ยืนสนทนากันอยู่ญาติโยมพากันขึ้นไปนั่งบนรถเพราะรู้สึกเมื่อยขาจนแทบทนไม่ไหวออกสงสัยว่าพระคุณเจ้าท่านไม่รู้สึกเมื่อยบ้างหรือไรถึงได้ยืนรอจนกระทั่งหนุ่มแขกสามคนขนสัมภาระเสร็จเมื่อพระภิกษุทั้งหรูปขึ้นมานั่งบนรถเรียบร้อยแล้วคนขับก็ออกรถ อากาศเริ่มเย็ยนมากขึ้นเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเมืองกันกตาคลาคล่ำไปด้วยผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายพวกเขาเดินควักขว่อยู่ริมถนนด้วยอาการเร่งรีบสองข้างถนนดูสกปรกรกรุงรังหาความเป็นระเบียบไม่ได้มีน้ำซ้ำยังมีกลิ่นเหม็นโชยเข้ามาในรถเสียงพระเจริญบรรยายว่า ขณะนี้เรากำลังเดินทางจากสนาบินดำดาไปยังสถานีรถไฟฮาราเพื่อจะเดินทางไปพุทธคยาผู้นำทัวร์จะพายมโยมแวะรับประทานอาหารข้ามที่พัตคารซึ่งอยู่ในเส้นทางที่จะไปสถานีรถไฟอีกประมาณ20นาทีก็จะถึงรับประทานอาหารเสร็จก็มาขึ้นรถไฟซึ่งจะออกจากสถานีเวลาสามทุ่มตรง ระหว่างนั่งรถอาตมาจะบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองกันกัตตาพอสังเขตแล้วจึงบรรยายว่าเมืองกันกัตตาตั้งอยู่บริเวณปากน้ำฮุกคลีเป็นส่วนปลายสุดของแม่น้ำคงคาที่จะไหลออก ทะเลตรงอ่าวเบงกอลแม่น้ำคงคายาวถึงสี่0มกิโลเมตรยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราคนอินเดียเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลลงมาจากสวรรค์พระเดศพระคุณท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุท์โตท่านเรียกประเทศอินเดียว่าแดนเทวาเพราะคนอินเดียนับถือเทวดา มีการบวงสวงบูชาเทวดาเพื่อขอให้มันดาลโชคลาบแก่ตนจนเกิดพิธีบูชายันตขึ้นคำว่ายันแปลว่าไฟบูชายันก็คือบูชาไฟนั่นเองคนอินเดียนับถือและบูชาไฟมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดและก่อนที่ชาวอารยันจะเข้ามาตั้งรกรากในอินเดียเมื่อพวกอารยันเข้ามาก็ให้เปลี่ยนมานับถือพระอาทิตย์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 เลกลายเป็นลัทธิที่ฝากความหวังไว้กับสิ่งภายนอกครั้นพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ให้เบนจากเทพสู่ธรรมคือจากความหวังพึ่งสิ่งภายนอกมาสู่การเข้าถึงธรรมโดยปัญญาของมนุษย์เองพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าศาสนาแห่งปัญญาขณะที่ศาสนาพราหมณ์ได้ชื่อว่าศาสนาแห่งพิธีกรรมเพราะมุ่งแต่เรื่องการประกอบพิธีกรรม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 พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์พึ่งตัวเองดังพระพุทธจนะว่าอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเราจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้สรุปก็คือเทพหรือเทวดามีจริงแต่เป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองพระเจริญตอบ แล้วแม่น้ำคงคาไหลลงมาจากสวรรค์จริงหรือเปล่าครับบุรุษคนหนึ่งถามขึ้นเป็นความเชื่อของคนอินเดียที่เขาเชื่อกันมาเป็นเวลาพันพันปีแต่ข้อเท็จจริงก็คือแม่น้ำคงคาเป็นต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลายซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศดินแดนส่วนนี้ปกคลุมด้วยหิมะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีฤดูร้อนหิมะ ก, ก่อละลาย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 ชายาของพระองค์พระอุมามีหลายพระนามเช่นเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่ธุรคาเจ้าแม่ไพรวีเป็นต้นเรียกว่าดังที่สุดในบรรดาเทพทั้งหลายที่ว่าดังเพราะมีคนนับถือมากพิธีบูชาเจ้าแม่กาลีจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปีก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มาก ประเทศอินเดียในสายตาของชาวโลกถือว่ายากจนแต่ค่าใช้ใจ่ายที่ใช้บูชายันเจ้าแม่กาลีในแต่ละปีเป็นเงินนับพันล้านลทัทธิเจ้าแม่กาลีระบาดไปถึงเมืองไทยด้วยนะคะท่านคือที่หมู่บ้านดิฉันมีเมียในทหารเรียกตัวเองว่าคุณนายแก่ใหญ่ครับหมู่บ้านเลยเที่ยวทะเลาะ ก, กับเข้าไปทั่วพูดผิดคิดผิด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 จึงสูงกว่าพ่อแม่กราบพ่อแม่ไม่ได้ต้องให้พ่อแม่กราบแก่บาปเลิกเกินบาปมากอาตมาสงสารเขาเลิกเกินท่านพระครูรู้สึกสงสารสตรีผู้นั้นสงสารที่หล่อนจะต้องมีนรกเป็นที่ไปดิฉันก็สงสารค่ะหลวงพ่อ แต่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะแกถือว่าแกเป็นเทพเรื่องอะไรจะมาเชื่อคนเดินดินกินข้าวอย่างดิฉันถ้าพระอาจารย์บอกว่าเจ้าแม่อูมาคือเจ้าแม่กาลีดิฉันก็อยากจะบอกว่าแกเหมาะกับชื่อกาลีมากกว่าเพราะคนกาลีถนนั้นถึงจะ ก, กราบพ่อกราบแม่ตัวเองไม่ได้กาลีจริงๆพูดอย่างเกลียดชัง โอ้โหนี่ขนาดสงสารก็ยังขนาดนี้ทำาไมสงสารจะขนาดไหนท่านพระครูประชดนิดนิดแล้วสามีเขาไม่ว่าอะไรเหลอคะสตรีคนหนึ่งถามขึ้นเป็นธรรมชาติของสตรีที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นบางคนรู้เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองซสีอีกเช่นรู้ว่าสามีของคนนั้นไปมีเมียน้อยอยู่ในซอยนั้น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 ต้องชั่วเหมือนกันจึงอยู่ด้วยกันได้แต่ร้ายจริงๆนะคะหลวงพ่อเบียดเบียนคนอื่นด้วยวันหนึ่งแกซื้อลอตเตอรี่จากลุงแก่ๆซึ่งขี่จั ก, กรยานเก่าๆมาเรขข่ขายซื้อตั้งสิบกว่าใบแต่ไม่ยอมจ่ายเงินบอกว่าอีกสองสามวันค่อยมาเอาพอลุงคนนั้นไปทวงที่บ้านแกพูดหน้าตาเฉยว่าแกไม่เคยซื้ออะไรจากลุง ลุงจะพูดอย่างไรแกก็ไม่ฟังแถมยังไล่ออกไปยังกับไล่หมูไล่ม้าลุงแกเสียใจร้องไห้เลยแกบอกว่าต้องหาเงินมาใช้หนี้เขาเพราะเงินที่ไปซื้อลอตเตอรี่เป็นเงินที่ยืมเข้ามาเสียดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อเดือนทำไมต้องทำถึงปานนั้นอาตมาไม่ชอบให้เบียดเบียนกันต้องช่วยเหลือกเกื้อกูลกันถึงจะถูก ไม่ใช่มาคคมเหงน้ำใจกันแบบนี้โยมกลับไปบอกเขาด้วยนะว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงขอบินธบาทอย่าได้สร้างกรรมกับเวนให้ใครเลยท่านพูดจากใจจริงหลังจากใช้เห็นหนอตรวจสอบแล้วว่าสตรีผู้นี้ไม่ได้พูดเกินความจริงถ้าบอกดิฉันรับรองได้เลยว่าเขาจะต้องด่าหลวงพ่อ อย่าให้เขาต้องตกนรกเพราะด่าหลวงพ่อเลยนะเจ้าคะสงสารเขาเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่นี้เขาต้องตกนรกอยู่แล้วแต่ถ้าโยมบอกแล้วเขาเชื่อหลวงพอ่อและเลิกประพฤติอย่างที่เป็นอยู่เขาก็จะตกนรกไม่นานเพราะฉะนั้นควรบอกเขาเพื่อจะได้สำนึกได้ท่านพูดด้วยความเมตตาไม่อยากให้สตรีผู้นั้นไปตกนรกนานอาตมาขออนุญาตบรรยายเกี่ยวกับเมือง กันกัตตาต่อได้ไหมโยมพระมะกุเทศรู้สึกว่าถูกลัดคิวอยู่เรื่อยนิมนต์ค่ะดิฉันกราบขอโทษที่ขัดจังหวะพอดีรถมาถึงพระตคาแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าลงไปฉันน้ำปานะและขอเชิญญาติโยมลงไปรับประทานอาหารค่ำแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปอยังสถานีรถไฟเฮอร่า พระภิกษุหกรูปที่นั่งอยู่ทางตอนหน้าลงก่อนจากนั้นญาติโยมจึงลงตามผู้นำทัวภาคณะเข้าไปในพัตคารซึ่งเป็นห้องแถวขนาดสองคูหานิมนพระภิกษุไปนั่งในห้องที่มีม่านกัน้นพระเจริญเรียกบริกรมาสั่งด้วยภาษาฮินดีให้นำนมเปรี้ยวมาหกแก้วท่านพระครูพอจะฟังภาษาฮินดีออก เพราะคล้ายๆกับภาษาบาลีจึงบอกภิกษุผู้อ่อนวักว่าว่าผมขออนุญาตไม่ฉันเพราะธาตุไม่ค่อยดีเกิดท้องเสียขึ้นมาจะยุ่งนิมนต์ท่านตามสบายเถอะครับผมก็ขอสละสิทธิ์เช่นกันเพราะอายุมากแล้วแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการขบฉันเป็นพิเศษหลวงพ่อวัดดอนเมืองปฏิเสธบ้าง พระเจริญบอกกับบริกรว่าให้นำนมเปรี้ยวมาสีแก้วแล้วให้นำชาร้อนๆมาถวายภิกษุอีกสองรูปนมเปรี้ยวของอินเดียมีชื่อนะครับหลวงพ่อพระที่มาจากเมืองไทยชอบใจมากถ้าพูดถึงแลซี่ไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่เขาเรียกนมเปรี้ยวว่าแลซี่ครับพระมกุเทศอธิบายท่านพระครูแอบสังเกตว่า ในร้านมีแต่ผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวหรือว่าบริกรจึงถามพระมะกุเทศว่าผู้หญิงเขาไม่ทำงานหรือผมเห็นมีแต่ผู้ชายตามถนนหนทางก็มีแต่ผู้ชายเดินนานๆจะเห็นผู้หญิงสักคนที่อินเดียเ้าไม่นิยมให้ผู้หญิงทำงานครับเพราะผู้หญิงจะต้องเสียค่าสินสอดไปขอผู้ชายเมื่อขอมาแล้ว ผู้ชายต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูผู้หญิงพระมกุเทศตอบ